ปาทานะโคจกะหนึ่งอุปาทานะทุกะสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทานเป็นไนอุปาทานสี่คือหนึ่งกามุปาทานสองทิฏฐุปาทานสามศพลปตุปาทานสอัตวาทุปาทานบรรดาอุปาทานสี่นั้นกามุปาทานเป็นไนความยึดมั่นในกามความกำหนัดในกลามความเพลิดเพลินในกาม ปัญหาในกลามสิเนหาในกลามความเร่าร้อนเพราะกลามความหลงไหลในกลามความหมกมุ่นในกลามในกลามทั้งหลายนี้เรียกว่ากลางมุ ป, ปาทานที่ถูก ป, ปาทานเป็นไนความเห็นว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาไม่มีผลการเส้นสวงไม่มีผลผลวิบากแห่งกรามที่ทำดีทำชั่วก็ไม่มีไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้า มารดาไม่มีคุณบิดาไม่มีคุณสาธเตียกเกิดผูกขึ้นไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลกดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดป่าชัดคือทิฏฐิกรนดานคือทิฏฐิความเห็นเป็น้าศึกต่อสัมมาทิฏฐิความผันแปรแห่งทิฏฐิสังโยชน์คือทิฏฐิความยึดถือผิด ความยึดมั่นความตั้งมั่นความเถือผิดทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิดและที่อันเป็นบอกเกิดแห่งความพินาศความยึดถือโดวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าทิฏฐุปาทานเว้นสีละปะตุปาทานและอัตวาทุปาทานแล้วมิจฉาทิฏฐิแม้ทั้งหมดชื่อว่าทิฏฐุปาทานสีละปะตุปาทานเป็นไน สมณพราหมายนอกในศาสนานี้มีความเห็นว่าความบริสุทธิ์ย่อมมีได้ด้วยศีลด้วยพรตด้วยศีลและพรตดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดป่าชักคือทิฏฐิกันดารคือทิฏฐิความเห็นเป็นฆ่าสืบต่อสัมมาทิฏฐิความผันแปรแห่งทิฏฐิสังโย์คือทิฏฐิความยึดถือผิดความยึดมั่นความตั้งมั่นความถือผิดทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิด ลทัทธิอันเป็นบ่อกเกิดแห่งความพินาศความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าศีรปตุปาทานอัตวาทุปาทานเป็นไนปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับการฝึกฝนในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัจปรุษ freedom, ไม่ฉลาดในธรรมของสับุรุษไม่ได้รับการฝึกฝนในธรรมของสับุรุษ ย่อมพิจารณาเห็นรูปเป็นตนหรือเห็นตนมีรูปเห็นรูปในตนหรือเห็นตนในรูปเห็นเวทนาเป็นตนหรือเห็นตนมีเวทนาเห็นเวทนาในตนหรือเห็นตนในเวทนาเห็นสัญญาเป็นตนหรือเห็นตนมีสัญญาเห็นสัญญาในตนหรือเห็นตนในสัญญาเห็นสังขารเป็นตนหรือเห็นตนมีสังขารเห็นสังขารในตนหรือเห็นตนในสังขาร เห็นวิญญาณเป็นตนหรือเห็นตนมีวิญญาณเห็นวิญญาณในตนหรือเห็นตนในวิญญาณทิฏฐิความเห็นผิดป่าชัดเคยทิฏฐิกรนดานเคยทิฏฐิความเห็นเป็นฆาสศึกต่อสัมมาทิฏฐิความผันแปรแห่งทิฏฐิสังโยคเคทิฏฐิความยึดถือผิดความยึดมั่นความตั้งมั่นความถือผิดทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิดลัทธิเป็นบอกเกิดแห่งความพินาา ความจึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าอัตวาทุปาทานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าอุปาทานสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานเป็นไนเว้นสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทานแล้วสภาวะธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยาฤลิที่เหลือซึ่งเป็นกลามาวจรปรูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์ได้แก่ เวทนาขันวิญญาณขันรูปทั้งหมดและท่าที่ปัจเจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอุปาทานสองอุปาทานิยะทุกละสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นไนะสภาวะธรรมทีท่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขัน วิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทานสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทานเป็นไนมรรคผลของมรรคที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์และธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทานสาอุ ป, ป า, าทานะสัมปยุตตทุกกะสภาวธรรมที่สัมปยุตโดยอุ ป, ปาทานเป็นไน สภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทานได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานสภาวะธรรมที่วิปยุทธ์จากอุปาทานเป็นไนสภาวะธรรมที่วิปยุทธ์จากอุปาทานเหล่านั้นได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันรูปทั้งหมดและท่าที่ปัจจัยไม <wolf> eh ่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุทธ์จากอุปาทาน 4. อุปาทา น, นะอุปาทา น, นิยธทุกกะสภาวะธรรมทานนี่เป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นไฉนอุปาทานนั้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานเป็นไฉนเว้นสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทานเหล่านั้นแล้วสภาวะธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอภยยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะ เป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันวิญญาณขันสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานหอุปาทานะอุปาทานะสัมปยุตตะทุกกะสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทานและสัมปยุตด้วยอุปาทานเป็นไนที่ถูกปาทานเป็นอุปาทานและสัมปยุตด้วยอุปาทานเพราะกามุปาทาน กามุปาทานเป็นอุปาทานและสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานเพราะทิฏฐปาทานศีละป ร, ะดด an, ร, ะประตุปาทานเป็นอุปาทานและสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานเพราะกามุปาทานกามุปาทานเป็นอุปาทานและสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานเพราะศีละปรตุปาทานอัตวาทุปาทานเป็นอุปาทานและสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานเพราะการมุปาทาน กามุปาทานเป็นอุปาทานและสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานเพราะอัตวาทุปาทานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอุปาทานและสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานเป็นชนหนเว้นสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานเหล่านั้นแล้วได้แก่เวทนาขัน์วิญญาณขันต์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทาน หอุปาทานะวิปยุตตอุปาทานิยทุกกะสภาวะธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นไนสภาวะธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานเหล่านั้นคือสภาวะธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอภิยกฤิตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกลามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันวิญญาณขันสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่า วิปยุจแจกอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานสภาวะธรรมที่วิปยุจแจกอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นไนมักผลของมักที่ไม่นับหนึ่งในวัตตทุกและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุจแจกอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอุปาทานโคจกะจบทุติยะพาณวาระในนิเคปการจบ สิกิเลสะโคจกะหนึ่งกิเลสะทุกะสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสเป็นไฉนกะิเลสะวัตถุสิบคือหนึ่งโลภะสองโทสะสามมหะ 4. สี่มานะห้าทิฐิหวิจิกิจฉาเจดถีนะ 8. ปดอุทจจะเก้าอหิริกะสิอโนตปะ 1. บรรดากิเลสะวัตถุสิบนั้น โลภะเป็นไนความกำหนัดความกำหนัดนักความคล้อยตามอารมณ์ความยินดีความเพลิดเพลินความกำหนับเพื่ออำนาจความเพลิดเพลินความกำหนัดนักแห่งจิตความอยากความสยบความหมกมุ่นความใคร่ความรักใคร่ความคล่องอยู่ความจมอยู่ธรรมชาติที่คล้าไปธรรมชาติที่หลอกลวงธรรมชาติที่ยังสาแให้เกิดธรรมชาติที่ยังสาแท่งเกิดพร้อม ธรรมชาติที่ร้อยรัดธรรมชาติที่มีไข่ธรรมชาติที่กำซาบใจธรรมชาติที่ร้านไปธรรมชาติเหมือนเส้นได้ธรรมชาติที่แผ่ไปธรรมชาติที่ประมวลมาธรรมชาติเป็นเพื่อนสองปณิธานธรรมชาติที่นำไปสู่พบตันหาเหมือนป่าตันหาเหมือนดงความเกี่ยวข้องความเยื่อใยความห่วงใยความผูกพันความหวงังยุรยาที่หวงังภาวะที่หวงัง ความหวังรูปความหวังเสียงความหวังกลิ่นความหวังรสความหวังโผฏภะความหวังลาบความหวังทรัพย์ความหวังบุตรความหวังชีวิตธรรมชาติที่กระซิบธรรมชาติที่กระซิบทั่วธรรมชาติที่กระซิบยิ่งความกระซิบกุริยาที่กระสิบภาวะที่กระสิบความโลภคุริยาที่โลภภาวะที่โลภธรรมชาติเป็นเหตุสมสาญไป ความแคร่ในอารมณ์ดีๆความกำหนัดในธรรมที่ไม่ควรความโลภเกินพอดีความติดใจกิริยาที่ติดใจความปรารถนาความกระหยิ่มใจความปรารถนานักกามตัญหาภวะตัญหาวิภวะตัญ ห, า ร, ญห า, ารูปตัญหาอรูปตัญหานิโรธตัญหาคือราคะที่สหรโครคด้วย อ, อุเชทิติรูปตัญหาสัทธตัญหาขันธตัญหา รสตันหาโพธะตันหาธรมมตันหาโอคะโยคะคันทะอุปาทานอาวร น, นิวรเครื่องปิดบังเครื่องผูโอปะพิเลสอนุสัยปริยุทธานตันหาเหมือนเถาวันความปรารถนาวัตถุมีอย่างต่างๆมูลเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์แดนเกิดแห่งทุกข์บ่วงแห่งมานเบ็ดแห่งมานวิสัยแห่งมานตันหาเหมือนแม่น้ำ ตันหาเหมือนข่ายตันหาเหมือนเชือกตันหาเหมือนสมุดอภิชาอาคุศสรมูลคือโลภะนี้เรียกว่าโลภะโทสะเป็นไนความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้เคยทําความเสื่อมเสียแก่เราความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้กําลังทําความเสื่อมเสียแก่เราความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้จะทําความเสื่อมเสียแก่เราความอาฆาตเกิดขึ้นว่า ผู้นี้เคย <ucking S 1> ท, ทำความเสื่อมเสียกาลังทำความเสื่อมเสียจาก <ค invit S 1> ทำความเสื่อมเสียแก่คนที่รักที่ชอบพอของเราความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้เคยทำความเจริญกำลังทำความเจริญจากทำความเจริญแก่คนผู้ไม่เป็นที่รักที่ชอบพอของเราหรือความอาฆาตเกิดขึ้นในฐานะอันไม่สมควรจิตอาฆาตความขัดเคืองความกระทบกระท่งความแค้นความเคืองความขุ่นเคือง ความที่จิตพลานไปโทสะความคิดประทุษร้ายความคิดมุ่งร้ายความขุ่นจิตธรรมชาติที่ประทุษร้ายใจความโกรธคิริยาที่โกรธภาวะที่โกรธมีลักษณะเช่นว่านี้และความคิดประทุษร้ายกิริยาที่คิดประทุษร้ายภาวะที่คิดประทุษร้ายความคิดปองร้ายคิริยาที่คิดปองร้ายภาวะที่คิดปองร้ายความที่โกรธความแค้น ความดุร้ายความเกลียดกราดความไม่ฉช่มชื่นแห่งจิตมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าโทสะโมหะเป็นไนความไม่รู้ในทุกความไม่รู้ในทุกขะสมุทัยความไม่รู้ในทุกขะนิโรธความไม่รู้ในทุกขะนิโรธคาม่นีปฏิปทาความไม่รู้ในส่วนอดีตความไม่รู้ในส่วนอนาคตความไม่รู้ในส่วนอดีตและส่วนอนาคต ความไม่รู้ในปฏิจจสมุบาทว่าเพราะธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมนี้จึงมีความไม่รู้ความไม่เห็นความไม่ตรัสรู้ความไม่รู้โดยสมควรความไม่รู้ตามความเป็นจริงความไม่แทงตลอดความไม่ยึดถือโดยถูกต้องความไม่ยั่งลงถือเป็นข้อยุติได้ความไม่พินิษความไม่พิจารณาความไม่ทาให้ประจักษ์ความสามปัญญาความโง่เขลาความไม่รู้ชัด ความหลงความลุ่มหลงความหลงไหลอวิชชาโอคะคืออวิชชาโยคะคืออวิชชาอนุสัยคืออวิชชาปริยุท ธ, ธานคืออวิชชาลิ่มคืออวิชชาอากุศลรมูลคือโมหะมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าโมหะมานะเป็นไนความถือตัวว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอกับเขาเราเร็วกว่าเขา ความถือตัวกิริยาที่ถือตัวภาวะที่ถือตัวความยกตนความเทิดตนความเชื่อชูตนดุจธงความยกจิตขึ้นความที่จิตต้องการเป็นดุจธงมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่ามานะทิฏฐิเป็นไนความเห็นว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวะกับสิริระเป็นอย่างเดียวกัน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 ความผันแปรแห่งทิฏฐิสังโยคือทิฏฐิความยึดถือความยึดมั่นความตั้งมั่นความถือผิดทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิดลัทธิอันเป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิแม้ทั้งหมดชื่อว่าเป็นทิฏฐิวิจิกิจฉาเป็นไน ปุถุชนย่อมเครือบแคลงสงสัยในพระาศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในศิทธาในส่วนอดีตในส่วนอนาคตในส่วนอดีตและส่วนอนาคตในปฏิจจสมุปบาทว่าเพราะธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมนี้จึงมีความเคลือบแคลงกริยาที่เครือบแคลงภาวะที่เครือบแคลงความคิดเห็นไปต่างๆความตัดสินอารมณ์ไม่ได้ความเห็นเป็นสองทางความเห็นเหมือนทางสองแพรง่ง ความสงสัยความไม่สามารถอย่างยึดถือโดยส่วนเดียวได้ความคิดสายไปความคิดพลาดไปความไม่สามารถอย่างลงยึดถือเป็นยุติได้ความกระด้างแห่งจิตความลังเลใจมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าวิจิกิจฉาทีนะเป็นไนความหดหู่ความไม่ควรกิดการงานความท้อแท้ความท้อถอยแห่งใจความย่อหย่อน กิริยาที่ย่อหย่อนภาวะที่ย่อหย่อนความถดถอยกิริยาที่ถดถอยภาวะที่ถดถอยแห่งใจนี้เรียกว่าถีนะอุทัศ จ, จะเป็นไนความฟุ้งซ่านแห่งจิตความไม่สงบแห่งจิตความวุ่นวายใจความที่จิตพลานไปนี้เรียกว่าอุทัศ จ, จะอหิริกะเป็นไนกิริยาที่เมลยต่อการประพฤติทุจริตอันเป็นสิ่งที่ควรละย กิริยาที่เมตตายต่อการประกอบธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นบาปนี้เรียกว่าอหิริสกะอโนตปะเป็นไนกิริยาที่ไม่เกรงกลัวต่อการประพฤติทุจริตอันเป็นสิ่งที่ควรเกรงกลัวกิริยาที่ไม่เกรงกลัวต่อการประกอบธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นบาปนี้เรียกว่าอโนตปะสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกิเลสสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นไน เว้นสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสเหล่านั้นแล้วสภาวะธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอภยากฤิทที่เหลือซึ่งเป็นกลางวจจรรูปวจจรอรูปาวจ ร, ร, วจ ร, ร, วจรและที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุก์ได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันรูปทั้งหมดและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นกิเลส กิเลสกะทุกกะสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นไนะสภาวะธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอภยากฤิซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกลามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันวิญญาณขันสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ<ภ>์ของกิเลสสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นไนะมร์ผลของมร์ที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุข และท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสสางแิงกฤฤฤฤฤฤิกละทุกกะสภาวะธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นไนอกุศลรมูลสามคือโลภะโทสะโมหะและกิเลสที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับอกุศลรมูลนั้นได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยอคุสโรมูลนั้น กายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมที่มีอกุศสลมูลนั้นเป็นสมุฐานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าก um ิเลสทําให้เศร้าหมองสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองเป็นไนะสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤิซึ่งเป็นกลามาวจรกูปาวจรอโรปาวจรและที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์ได้แก่เวทนาขันวิญญาณขัน์รูปทั้งหมด และธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากิเลสไม่ทําให้เศร้ามองสกิเลสสัมปยุตตะทุกกะสภาวธรรมที่สัมปยุต ด, ด้วยกิเลสเป็นไนะสภาวะธรรมที่สัมปยุต ด, ด้วยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสได้แก่เวทนาขันต์วิญญาณขันต์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุต ด, ด้วยกิเลสสภาวธรรมที่วิปยุตจากกิเลสเป็นไงนะ สภาวะธรรมที่วิปยุจจากกิเลสได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันรูปทั้งหมดและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุจจากกิเลสห้ากิเลสสังกิเลสิ ก, กะทุกกะสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นไนกิเลสนั่นนั่นแหละชื่อว่าเป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลส สภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นไนเว้นสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสเหล่านั้นแล้วสภาวะธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอภิยากริตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาตรวะที่เหลือเป็นกลามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปะขันวิญญาณขันสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสหก กิเลสสังกิเลตถูกะสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและกิเลสทําให้เศร้าหมองเป็นไนกิเลสนั้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นกิเลสและกิเลสทําให้เศร้าหมองสภาวะธรรมที่กิเลสทําให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นไนเว้นสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสเหล่านั้นแล้วเวทนาขันวิญญาณขันสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากิเลสทําให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสเจ็ด กิเลสะกิเลสะสัมปยุตตทุกกะสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเป็นไนโลภะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะโมหะโมหะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะโลภะโทสะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะโมหะโมหะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะโทสะมานะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะโมหะ โมหะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะมานะทิฏฐิเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะโมหะโมหะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะทิฏฐิวิจิกิจฉาเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะโมหะโมหะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะวิจิกิจฉาถีนะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะโมหะโมหะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะถีนะ อุทจจะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะโมหะโมหะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอุทจจะอหิริกะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะโมหะโมหะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอหิริกะอโนตปะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะโมหะโมหะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอโนตปะ โลภะเป็นกิเลสและสัมพยุดด้วยกิเลสเพราะอุทจจะอุทจจะเป็นกิเลสและสัมพยุดด้วยกิเลสเพราะโลภะโทสะเป็นกิเลสและสัมพยุดด้วยกิเลสเพราะอุทัจจะอุทจจะเป็นกิเลสและสัมพยุดด้วยกิเลสเพราะโทสะโมหะเป็นกิเลสและสัมพยุดด้วยกิเลสเพราะอุทจจะอุทัจจะเป็นกิเลสและสัมพยุดด้วยกิเลสเพราะโมหะมานะเป็นกิเลสและสัมพยุดด้วยกิเลสเพราะอุทจจะ อุทัจจะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสพราะมานะทิฏฐิเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสพระอุทัจจะอุทัจจะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสพระทิฏฐิวิจิกิจฉาเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสพราะอุทัจจะอุทัจจะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสพราะวิจิกิจฉาธีนะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสพระอุทัจจะ อุทจจะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะถีนะอหิริกะเป็นกิ uh ja. เลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอุทจจะอุทจจะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอหิริกะอโนตปะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอุทจจะอุทัจจะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอโนตปะโลภะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอหิริกะ อหิริกะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะโลภะโทสะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอหิริกะอหิริกะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะโทสะโมหะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอหิริกะอหิริกะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะโมหะมานะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอหิริกะ อหิริกะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะมานะทิฏฐิเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอหิริกะอหิริกะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะทิฏฐิวิจิกิจฉาเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอหิริกะอหิริกะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะวิจิกิจฉาถีนะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอหิริกะ อหิริกะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะทีนะอุทัจจะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอหิริกะอหิริกะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอุทัจจะอโนตปะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอหิริกะอหิริกะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอโนตปะโลภะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอโนตปะ อโนตปะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะโลภะโทสะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอโนตปะอโนตปะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะโทสะโมหะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอโนตปะอโนตปะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะโมหะมานะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอนโนตปะ อโนตปะเป็นก e, ิเลสและสัมพยุดด้วยกิเลสเพราะมานะทิฏฐิเป็นกิเลสและสัมพยุดด้วยกิเลสเพราะอโนตปะอโนตปะเป็นกิเลสและสัมพยุดด้วยกิเลสเพราะทิฏฐิวิจิกิจฉาเป็นกิเลสและสัมพยุดด้วยกิเลสเพราะอโนตปะอโนตปะเป็นกิเลสและสัมพยุดด้วยกิเลสเพราะวิจิกิจฉาถีนะเป็นกิเลสและสัมพยุดด้วยกิเลสเพราะอโนตปะ อนตตปะเป็นก mm ิเลสและสัมปยุทธ <positives> ์ด <kir gue> <bbe> ้วยกิเลสเพราะถีนะอุทัจจะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอนตปะอนตปะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอุทัจจะอหิริกะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอนตปะอนุตตปะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอหิริกะสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลส สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นไนเว้นสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสเหล่านั้นแล้วสภาวธรรมสัมปะยุทธ์ด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลส 8. กิเลสวิปยุตตะสังกิเลสิกะทุกกะสภาวธรรมที่วิปยุตจากกิเลส a, แต่เป็นอารมณ์ของกิเลส เป็นไนสภาวะธรรมที่วิปยุจจากกิเลสเหล่านั้นคือสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสะวะเป็นกลามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขนันวิ ญ, ญญาณขัน์สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุจจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวะธรรมที่วิปยุจจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นไนมัก ผลของมรรคที่ไม่นับหนึ่งในวัตตทุกและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุจจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสกิเลสะโคชะกะจบ